ยาีเรื่องปล่อยเมื่อไรสบายเมื่อนั้นเธอครองชีวิตร่วมกับเขามานานกว่าสิบปีแล้ววันหนึ่ง ก็พบว่าเขาปั่นใจให้หญิงอื่นเธอจึงแยกทางจากเขาแต่เขาหาได้ไปจากจิตใจของเธอไม่ทุกครั้งที่นึกถึงเขาเพลงแค้นก็ลุกท่วมหัวใจเธอแค้นที่ถูกเขาทรยศแค้นที่เขาทำลายชีวิตดีๆของเธอยิ่งนึกก็ยิ่งรุ่มร้อนจนอยากจะตกอยากทำร้ายอยากทำลายมัน เธอหันหน้าเข้ากรร ม, มาฐานแต่ความแค้นยังตามมารังควานเธอแม้เรื่องจะจบไปนานแล้วแต่เธอไม่ยอมจบด้วยใจยังหวนกลับไปขุดเรื่องราวในอดีตให้มาทิ่มแทงเธอไม่หยุดหย่อนเสียงด่าดังก้องอยู่ในใจทั้งๆ ท, ท, ที่รอบตัวมีแต่ความเงียบสงบแต่ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนมีเกิดก็มีดับ ตอนนั้นเธอกำลังเดินจงกรมมือประสานกันที่ท้องเธอรู้สึกว่าเมื่อยเหลือเกินเพราะกุงมมือในท่า น, นั้นนานเป็นชั่วโมงแล้วจึงปล่อยมือลงทันทีที่ปล่อยความเมื่อยก็หายไปความรู้สึกสบายกายสบายใจเกิดขึ้นตามมาชั่วขณะนั้นเองเธอได้ประจักษ์แก่ใจว่าแค่ปล่อย เราก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วน้ำตาก็ไหลรินออกมาวินาทีนั้นเองที่เธอระลึกขึ้นได้ว่าสาเหตุที่เธอคับแค้นไม่เลิกราก็เพราะไปยึดติดกับเรื่องราวในอดีตอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะเธอไม่ยอมปล่อยมันไปนั่นเองเธอจึงทุกข์แล้วทุกเล่าเมื่อคิดได้เช่นนี้ เธอจึงปล่อยมันออกไปจากใจทันทีเธอเล่าว่าในการปล่อยมือครั้งนั้นเธอได้ปล่อยความแค้นและเรื่องราวในอดีตระหว่างเธอกับเขาไปด้วยจิตใจบังเกิดความเบาสบายสงบเย็นขึ้นมาทันทีมือที่กุมไว้นานๆย่อมเมื่อยฉันใดใจที่ยึดไว้ไม่เลิกรา้ายย่อมเป็นทุกข์ฉันนั้น ไม่มีอะไรที่จริงยิ่งไปกว่านี้แต่ความจริงง่ายๆอย่างนี้น้อยคนจะตระหนักทั้งนี้ก็เพราะเราคุ้นชินกับการยึดจนเป็นนิสัยอะไรก็ตามที่ติดเป็นนิสัยแล้วเรามักจะทำไปโดยไม่รู้ตัวคนที่เคร่งเครียดจนเป็นนิสัยก็เอาแต่เคร่งเครียดหน้านิวคิ้วขมวด เกรงมือเกรงคอไปโดยไม่รู้ตัวแม้จะรู้สึกเมื่อยล้าก็หารู้ไม่ว่าเป็นเพราะนิสัยดังกล่าวนั่นเองแต่ทันทีที่รู้ตัวและผ่อนคลายลงเขาก็จะรู้สึกสบายทันทีอะไรก็ตามถ้าเราไปยึดติดแบกถือแล้วล้วนทำให้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นดูเหมือนเล็กน้อยไม่สลักสำคัญ แต่ก็ประมาทไม่ได้สิวเพียงไม่กี่เม็ดถ้าไปหมกมุ่นครุ่นกังวลกับมันทั้งวันทั้งคืนก็สามารถทำให้เด็กสาวค่าตัวตายเพราะความอับอายได้ดังเคยเป็นข่าวมาแล้ว